ทุกครั้งที่ฉันคิดถึงเธอใจมันคอยบอกกับตัวเองอยู่ึเสมอว่าเธอนั้นเป็นสุขไปแล้ว ครั้งที่ฉันนั้นเห็นภาพเธอวันคืนเก่าๆก็กลับมาเสมอมีแต่เธอที่จะไม่กลับมาแล้วยังมีอีกหลายสิ่งที่ฉันยังไม่เคยพูดสักที ลายที่มีเคยทง ขอให้ความรู้สึกที่ฉันมีส่งให้ถึงเธอที่แซนดีว่าชีวิตนี้ฉันมีเธอดังความฝันจะพบกันอีกได้ไหม ฉันนั้นรู้ตัวก็คงไม่มม้กแกบมาจนถึงวันนี้โอ้คนดีนั้นคงได้บอกไปแล้วโอ้ยังมีอีกหลายสิ่งที่ฉันยังไม่เคยพูดสักที มีอีกหลายอย่างที่ไม่เคยทำจนวัน ที่ฉันมีส่งไปถึงเธอที่แสนดีว่าชีวิตนี้ฉันมีเธอดิงความฝันจะพบกันอีกได้ไหม ลสิงที่ฉันยังไม่เคยพูดสักทีและมีอีกหลายอย่างที่ไม่เคยทำจนวันนี้บอกครับ สิ่งเหล่านั้นเกิบไว้ข้างในเธอได้ินไหมคนดีอยากขอให้ความรู้สึกที่ฉันมีส่งให้ถึงเธอที่แสนดีว่าชีวิต จะพบแก่นบอกรักรักเธอทั้งมอยข้างหัวใจสิ่งเหล่านั้นเกิบไว้ข้างในเธอได้ยินไหมคันดีอยากขอให้ความรู้สึกที่ฉันมี ส่งให้ทิ้งเธอที่แสนดีกว่าชีวิตนี้ฉันมีเธอดึงความฝันแล้วสักวันจะไปหา